50 languages. 34. m u a t t a n a l o บนรถไฟ r a i l w n o l g e นั่นรถไฟไปเบอร์ลินใช่ไหมคะอีดูเบอร์ลินเกะฮกุวารเลรถไฟออกเมื่อไหร่คะ ไร่ลูยาวากัร ด, ดุตเต้รถไฟไปถึงเบอร์ลินเมื่อไห ร, ร่คะไรลูเบอร์ลินอันนูเยชตุห์ติกตลุพุตเต้ขอโทษค่ะดิฉันขอผ่านหน่อยได้ไหมคะชมิซีนานันห้าดุหกกะบะหุเด้ดิฉันคิดว่านี่เป็นที่นั่งของดิฉันค่ะ อีดูนั่นนั่งสตรายันดูบ้าวิสุต เ, เน่ดิฉันคิดว่าคุณนั่งที่นั่งของดิฉันค่ะ น, นิ น, นั่นสตลลีุ่ลิตุคนดี ด, ดีรยันดูบ้าวิสุเต เ, เนตู้นอนอยู่ขบวนไหนคะสลีเปอร์อ ล, ลตู้นอนอยู่ขบวนท้ายสุดของรถไฟสลีเปอร์รลนาะคุณเอลเด และรถสเสบียงอยู่ขบวนไหนคะขบวนหน้าค่ะวู ต, ต ด, ดบอลลีรลน่ามุมภาคต ล, ลิดิฉันขอนอนข้างล่างได้ไหมคะนนูยลลีละะ่ามลากะบบหเดย์ดฉันขอนอนตรงกลางได้ไหมคะน a นู ล, ลมัธ ล, ลมลากะบบห ดิฉันขอนอนข้างบนได้ไหมคะน้าวิลลีเมลูกอดีมลกบหุเป๋าเดเราจะถึงชายแดนเมื่อไหร่นาบุยาวะกักกดีย์นุตลุพุเตเวไปเบอร์ลินใช้เวลา น, านานเท่าไหร่คะเบอร์ลินวรนกีนาประหยันัเกย์เยสตุสมัยเบกุรถไฟจะเข้าช้าไหมคะ เราลูตะดาวาจีวอดุติเดียคุณมีอะไรอ่านไหมคะนิมมะเบลีวอดลูเยนาดโรอีเดียที่นี่มีอาหารและเครื่องดื่มขายไหมคะอิน ล, ลีตินนลูมัตตุคเดยลูเยนาดารูดุเรยุตตเดียคุณช่วยปลุกดิฉันตอนเจ็ดโมงได้ไหมคะ ได้ยอบิตร์ตัวนั่นนั่นนูเบลักเกย์เยื่อโ